รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่39เบื่อจะแย่อยู่แล้วกรณีเฉพาะตนของป้อมอาชีพนิติกรลักษณะงานที่ทำตอบข้อหาหรือปัญหากฎหมายพิจารณาร่างกฎหมายตลอดจน จดรายงานการประชุมโดยรวมแล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดไปในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆคำถามแรกบ่อยครั้งที่รู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่อยากจะลาออกไปเป็นครูอาสาบนดอยแต่พ่อแม่และน้องยังลำบากอยู่จึงต้องทนต่อไป จะทำอย่างไรกับความรู้สึกเบื่อย้ายงานเพราะความรู้สึกเบื่ออย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเบื่ออยู่ดีคนทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนั้นจะสนุกได้ต้องชอบคิดชอบหาช่องเถียงชอบเอาชนะคู่กรณีด้วยความรู้ทางกฎหมายหาไม่แล้ว ขอบกฎหมายต่างๆจะปรากฏเป็นเพียงบทบรญยัติอันน่าปวดหัวมีไว้ให้ท่องมีไว้ให้วิเคราะห์มีไว้ให้ถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเพียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันในศาลและยิ่งวันคุณก็อาจจะยิ่งเห็นว่าหลายครั้งความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับเงินไม่ใช่ความถูกต้องต่อเมื่อคุณจเจริญสติไปถึงจุดหนึ่งหรอกคุณถึงได้ข้อสรุปที่แท้ว่า ความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับกรรมเก่าและกรรมใหม่เท่านั้นไม่เคยอยู่ข้างไหนนอกเหนือจากนี้แต่การบอกว่าอยากเปลี่ยนอาชีพไปเป็นครูดอยนั้นสะท้อนให้เห็นว่าส่วนลึกของคุณชอบความเรียบง่ายอยากสอนคนไม่สนุกกับการเถียงใครก็เป็นธรรมดาละ่ะว่างานจะต้องบีบให้คุณเบื่อในทางใดทางหนึ่งแน่แน ความเบื่อจุก อ, อกสำหรับคนทั่วไปที่ไม่รู้จักทางนิพพานนับเป็นอัปมงคลและเมื่อดินไปทางอื่นไม่ได้ก็คิดสั้นๆว่าถ้าตายเสียได้ความเบื่อก็คงมาลายสิ้นหารู้ไม่ว่าการจบชีวิตด้วยจิตที่ถูกครอบงาด้วยความเบื่อคือการตายแบบพดหู่เศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสว่าหากจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมเป็นที่หวัง ก็คำว่าทุกขตินั้นย่อมไม่หมายเอาพบที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจหรือพบที่จะทำให้หายเบื่อแน่ๆ แ, แต่ความเบื่อระดับเดียวกันนั้นเองสำหรับนักเจริญสติผู้รู้จักทางนิพพานแล้วอาจนับเป็นมงคลเพราะเมื่อดินไปทางอื่นไม่ได้ความเบื่อก็กลายเป็นแรงผลักให้มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นทางใจ อาศัยความรู้ที่พระพุทธเจ้าปูทางไว้ให้แล้วเป็นหลักในการทำแต่ละวันให้หมดไปอย่างมีคะแนนเก็บสะสมเรื่อยๆถ้าเห็นค่าของความเบื่อคุณจะเลิกรังเกียจการงานที่บีบให้รู้สึกเบื่อแต่หันมาทำงานด้วยใจที่นิ่งขึ้นนิดหนึ่งความนิ่งจะทำให้คุณรู้จักเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่เริ่มต้นที่งานใหม่ การเปลี่ยนงานเพราะความเบื่อนั้นมีผลเสียยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมความเคยชินที่จะดิ้นหนีความเบื่อด้วยวิธีเดิมๆ ม, มากขึ้นเท่านั้นตอนกำลังรู้สึกสุดทนคุณจะนึกว่าหันไปทำอะไรที่เรียบง่ายกว่าเดิมและความเบื่อจะหมดไปแต่ส่วนใหญ่จะพบว่างานใหม่มีเรื่องน่าขัดใจรออยู่ร่ำไปในที่สุดคุณจะถูกบีบให้เบื่ออีก อยากลาออกไปหางานใหม่อีกฉะนั้นมาเจริญสติอยู่ท่ามกลางความน่าเบื่อจุกอกกันดีกว่าเริ่มจากตั้งคำถามง่ายๆคือตอนไหนบ้างที่ภาวะเบื่อเกิดขึ้นอย่างแรงลองแบ่งเป็นข้อข้ อ, ขอก็ได้ขณะตื่นนอนเดินเข้าห้องน้ำโดยใจไม่ทันคิดเรื่องงานหรือขณะกำลงังนั่งนอนเมอคิดถึงสภาพจำเจที่เป็นอยู่ ขณะฟังคําถามหรือขณะตอบคําถามขณะต้องรีบทํางานหรือขณะขี้เกียจทํางานจนกลัวเสร็จไม่ทันและอื่นๆการสังเกตให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคุณเบื่อตอนไหนมากๆจะมีผลใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเพราะตอนนั้นๆคุณจะเริ่มมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นนิดหนึ่งไม่เผลอปล่อยให้ใจหลงไปตามภาวะบีบคั้นให้เบื่อท่าเดียว ให้คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะถือโอกาสเอาช่วงแห่งความเบื่อหน่ายไว้เสพความเบื่ออย่างมีสติรู้ว่ากำลังพูดรู้ว่ากำลังนิ่งรู้ว่ากำลังคิดฟุง้งรู้ว่ากำลังทอออะไรภาวะทางใจกำลังเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นเมื่อเลิกคิดหลบเลี่ยงและนึกสนุกที่จะเผชิญหน้ากับมันจิตของคุณจะไม่จมไม่ถูกห่อหุ้มด้วยอารมณ์เบือ่อ แต่จะปฏิวัติตัวเป็นผู้เห็นเช่นเห็นว่าความเบื่อเป็นแรงผลักดันให้อยากหนีจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเห็นว่าความเบื่อเป็นทุกข์ทางใจที่ทำให้เนื้อตัวไม่มีเรี่ยวแรงเห็นว่าความเบื่อเหมือนเมฆหมอกที่ทำให้ความคิดอ่านพร่าเลือนและอื่นๆ เห็นอย่างไรยอมรับอย่างนั้นแล้วคุณจะพบว่าความเบื่อเป็นเพียงภาวะหนึ่งที่ไม่คงเส้นคงวามีหนักมีเบามีหายไปมีกลับมาสลับเวียนกันสาระสำคัญคือเมื่อเห็นมาเข้าว่าความเบื่อไม่เที่ยงจิตก็จะผันตัวไปเป็นอิสระเป็นต่างหากจากอารมณ์เบื่อทีละน้อยและในที่สุดก็พลากจากความเบื่อออกมาได้เด็ดขาดครับ แน่นอนว่างานคือต้นเหตุความเบือ่อเมื่อยังทำอาชีพที่ขัดกับตัวตนก็ยังคงต้องเบื่ออยู่แต่ความเบื่อจะกลายเป็นเครื่องฝึกเจริญสติไม่ใช่เครื่องขวางความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเหมือนอย่างเคยครับคำถามที่สองช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะเจริญสติไม่ได้เลย รู้สึกเหม่อลอยขมุกขมัวหลงไปกับความคิดทั้งวันแสดงว่าการนั่งสมาธิมีผลต่อการเจริญสติใช่ไหมทำความเข้าใจให้เห็นภาพรวมอย่างนี้ดีกว่าครับการเจริญสตินั้นมีอยู่สองส่วนไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนแรกคือสมถะส่วนที่สองคือวิปัสสนาสมถะ คือการทำใจให้สงบจากกิเลสหยาบเพื่อพร้อมรู้พร้อมทำวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาคือการเปลี่ยนจิตที่หลงให้เป็นจิตที่รู้คือแปรสภาพหลงยึดหลงคิดว่าโลกนี้มีเรามีญาติของเรามีสมบัติของเราให้เป็นรู้ตามจริงอยู่ในปัจจุบันว่าลมหายใจนี้ร่างกายในอิริยาบถนี้ความรู้สึกสุขทุกอย่างเดี๋ยวนี้ ตลอดจนกระทั่งความนึกคิดและการรับรู้ที่กำลังปรากฏเช่นนี้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยการทำสมถะในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือการนั่งสมาธิหลับตาซึ่งก็นับว่าใช่ในส่วนหนึ่งเพราะเมื่อหลับตาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งเดียวเช่นระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทธโธ หรือหน่วงนึกถึงนิมิตวงกลมในที่สุดจิตจะไม่ซัดสายเกิดความสงบระงับฟุ้งซ่าน้อยลงคิดอยากโน่นอยากนี่เลิดเปิดเปิงน้อยลงกับทั้งพร้อมจะเห็นตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตกายใจนี้สรุปคือถ้ารู้สึกว่าปั่นป่วนเกินกว่าจะเห็นกายใจ หรือเกินกว่าจะยอมรับภาวะทางกายใจได้ตามจริงก็จำเป็นต้องทำสมถะกันก่อนครับทํานองเดียวกับตอนถูกทรายสั์เข้าลูกตาคุณจะเอาตาที่ไหนไปดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดซะ ก, ก่อนนั่นแหละครับ รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่40สติท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองกรณีเฉพาะตนของประชาชนคนไทยอาชีพทุกสาขาอาชีพลักษณะางานที่ทำเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโกรธเกลียดอาภัยไม่ได้ไม่มีแก่ใจทำงาน คำถามแรกจะให้เจริญสติในท่ามกลางความวุ่นวายขนาดนี้คงไม่ไหวขอวิธีทำใจให้รู้สึกดีขึ้นบ้างจะดีกว่า คำถามนี้มาจากหลายๆคนพร้อมกันในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นผมจึงขอรวมมาตอบโจทย์ข้อเดียวกันเลยนะครับเมื่อเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติหมายความว่าถ้าเชื่อไม่เหมือนกันก็ต้องเป็นศัตรูกันถ้าจะเลือกไม่เป็นศัตรูกับใครก็มีทางเดียวคือไม่เข้าข้างใครเลยไม่ปักใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเลยเทว่า ในภาวะที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมญาเช่นนี้การไม่รับฟังอะไรเลยการไม่เลือกเชื่ออะไรเลยก็เหมือนดูดายไม่รักชาติไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยทาอะไรให้ดีขึ้นการช่วยทาอะไรให้ดีขึ้นได้จริงนั้นก้าวแรกอาจไม่ใช่การตัดสินใจเลือกข้างแต่เป็นการเห็นภาพรวมทั้งหมดให้ได้ก่อนเพราะเมื่อเห็นภาพรวมแล้วเราจะมีความเข้าใจมากกว่าเดิมตลอดจนเจ็บปวดน้อยลง และมีอคติเบาบางลงความเข้าใจอย่างตลอดสายหรือเห็นภาพรวมทั้งหมดจะนำไปสู่ความเชื่ออีกแบบหนึ่งคือเชื่อว่ามีทางออกไม่ใช่เชื่อว่าถึงทางตันและไม่ใช่เชื่อว่าจะต้องแตกแยกกันเป็นเสียงเสียงเท่านั้นความเชื่อมีอิทธิพลกับเรายิ่งกว่าความจริง เพราะความจริงเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่โดยไม่แน่ว่าจะมีใครไปรับรู้สักกี่คนส่วนความเชื่อคือสิ่งที่อยู่ในหัวเรามีอำนาจบงการให้เราอยากทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องฟังความเห็นของใครตลอดจนไม่จำเป็นต้องรับรู้ความจริงที่ไหนแต่ความจริงก็สำคัญกว่าความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ไม่มีทางกลับเปลี่ยนไปเป็นอื่นและมีความจริงอะไรบ้างที่ควรรู้นาทีนี้ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเป็นสาระไปกว่าข้อเท็จจริงทางการเมืองและการปกครองแต่ที่แท้แล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจริงยิ่งไปกว่าความทุกข์ในใจเราความทุกข์ในใจเราจึงน่าจะมีสาระสำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด สถานการณ์เป็นสิ่งถูกสร้างได้คำพูดเป็นสิ่งถูกปั้นแต่งได้ภาพความล่มสลายเป็นสิ่งถูกวาดขึ้นลอยๆได้และในภายหลังอาจมีการเปิดโปงว่าไม่ใช่อย่างนั้นจึงไม่อาจด่วนนับเป็นของแท้แต่ความทุกข์ทางใจเป็นของแท้เสมอตราบเท่าที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริงในใจเราต่อให้คนอื่นพยายามบิดเบือนอย่างไร เราก็ไม่อาจเชื่อว่าตัวเองเป็นสุขไปได้แล้วหากความทุกข์ทางใจของคนไทยดับลงพร้อมกันครึ่งประเทศละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นความจริงที่จะเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกแตกแยกจะประลาศนาการไปในทันทีทั้งที่ความขัดแย้งทางความเชื่ออาจจะยังคงอยู่ที่นั่นเมื่อความรู้สึกแตกแยกหายไปความเยือกเย็นจะมาเยือน ในความเยือกเย็นย่อมมีความนิ่งสบายหายห่วงในความนิ่งสบายหายห่วงย่อมทำให้เราเดินตรงทางไม่ระส่าระสายปัดเปะตลอดจนมีสายตาคมชัดเริ่มมองเห็นว่าอันไหนคือประตูทางออกอันไหนคือแยกเลี้ยวไปสู่ทางตันแต่ด้วยความเชื่อว่าเราไม่มีทางหายทุกข์ถ้าไม่ชนะอันนี้ก็ไม่มีวันที่รอยร้าวระหว่างคนในชาติจะถูกประสาน และสิ่งที่เราจะเห็นก็คือความมืดสถานเดียวประตูทางออกถูกปิดตายแน่นอนสิ่งที่ผมพยายามสื่อคือการเห็นความจริงทางใจสำคัญกว่าการทำตามความเชื่อในเรื่องนอกตัวถ้าเห็นความจริงทางใจอันเป็นไปเพื่อความระ ง, งับทุกข์คุณจะพบว่าวิธีทำสถานการณ์ภายนอกให้สงบลงได้ เรากับเกิดปาฏิหาร คำถามที่สองเมื่อโดนบังคับให้เลือกข้างเราจะมีวิธีเลือกที่ถูกต้องได้อย่างไรความจริงเป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่าถูกหรือผิดเช่นถ้าขณะนี้คุณหายใจเข้าอยู่แต่สำคัญว่าหายใจออกถ้าไม่หลอกตัวเองก็แปลว่าสติฟั่นเฟือนไปในเมื่อมันผิดจากความเป็นจริงชัดๆ แต่ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ใครจะชี้ขาดได้ว่าถูกหรือผิดเช่นถ้ามองว่าลมหายใจมีค่าเพราะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตก็อาจมีอีกคนเห็นต่างโดยมองว่าลมหายใจไร้ค่าเพราะทำให้ต้องทนทุกข์อยู่กับชีวิตวันนี้ต่อไปแทนที่จะพ้นชีวิตเส่งแคร่งนี้ไปเสียสาระสำคัญของความเชื่อคือ มันนำเราไปสู่ความผาสุกหรือความเดือดร้อนกันแน่เวลาดูก็ดูที่ใจนั่นแหละอย่าไปดูที่อื่นความเชื่ออันใดนาไปสู่ทางออกความเชื่ออันนั้นย่อมก่อให้เกิดความสบายใจจึงควรมองว่านั่นถูกนั่นชอบนั่นดีนั่นสมควรแล้วส่วนความเชื่ออันใดนำไปสู่ทางตันความเชื่ออันั้นย่อมก่อให้เกิดความอัดอั้นตันใจ จึงควรมองว่านั่นผิดนั่นมิชอบนั่นไม่ดีนั่นยังไม่สมควรทีนี้ก็ลองทบทวนดีๆครับว่ามีความเชื่ออันนำไปสู่ทางออกกันบ้างแล้วหรือยังไม่ใช่ใครเสนอทางเลือกมาแค่ไหนเราก็ปากใจเชื่อว่าต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งแค่นั้นพินิษพิจารณาดูถ้าใครกล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำว่า ขณะนี้มีอยู่สองสามหรือสี่ทางเลือกแต่ทุกทางเลือกล้วนนำไปสู่จุดอับตันนั่นก็แปลว่าเขายังไม่ได้พูดถึงทางออกเลยสักนิดจำเป็นครับที่เราจะต้องเห็นทางเลือกที่ถูกต้องด้วยตนเองไม่เช่นนั้นหายนะทางใจคงมาถึงก่อนหายนะแห่งบ้านเมืองเป็นแน่ จากนิจยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่55เสียงอ่านโดยโจโชไม่ควรสับสนว่าเคยมีเ่อชาใดเมื่อเกิดในไทยโตเป็นไทย